สรุปว่าได้พบพระศาสดาที่ดีมีคุณธรรมชั้นพิเศษดังกล่าวมาแล้วเนี่ยนะเป็นภะษาสดาที่บริสุทธ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธ์ด้วยศีลด้วยจิตสมาธิด้วยปัญญาเป็นผ้าเรียเจ้าเนี่ยนะ แล้วก็เข้าไปฟังธรรมซึ่งพระองค์ก็รู้อัธยาศัยแล้วก็ประกาศธรรมพอฟังธรรมแล้วก็ได้รู้ยิ่งรู้ยิ่งก็แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะธรรมสี่ที่ควรรู้ยิ่งก็คืออริยสัจสีก็เลื่อมสายในอริยสัจสีมีศรัทธามีใจที่ประดิสฐานอย่างมั่นคงไม่ต้องเชื่อในพระศาสดาโดยที่ต้องให้คอยอให้คนอื่นมาคอยเกลี้ยกล่อมคอยหวานคอยล้อมเป็นต้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยนะเส า, สาเขื่อนที่ ตั้งแปะว่าที่ฝังดีแล้วเสาเขื่อนนี่ไม่ได้แปลว่าเสาเสาเขื่อนน่นะแปลว่าเสาประตูเมือง เสาประตูเมืองแบบเสาแบบเสาไม่สูงเนี่ยนะที่ยาวแบบเป็นยี่สเมตรเนี่ยฝังลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะไม่หวไหวไม่สะเทือนเพราะลมที่มาจากทิศทั้งสี่ชันใดพระโสดาบันที่เห็นอริยสัจก็เหมือนกันเนี่ยนะไม่หวั่นไหวเพราะลมปากของมิจฉาทิฐิไม่หวั่นไหวที่จะเปลี่ยนใจไปนับถือคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวที่ไปเชื่อว่าทรเอื่นที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ไม่หวั่นไหวในความปฏิบัติดีของพระอริยเจ้าก็สําเร็จเป็น พระอริยบุคคลพระศรัทธาของพระสกทาคามีมากกว่าพระโสดาบันเป็นร้อยเท่าพันเท่าศรัทธาของพระนาคามีมากกว่าพระสกทาคามีเป็นร้อยเท่าพันเท่าศรัทธาของพระฐานมากกว่าพระนาคามีเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นต้นเนี่ยนะก็ยิ่งเป็นพระฐานเท่าใดก็ยิ่งเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหรือมีปัญญามากเท่าใดก็จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นกับพภาษารียบเนี่ยนะเพราะภาษาเรีตรจึงกล่าว สัมปัสาะธนยสูตรที่ไพเราะมากเนี่ยนะสรรเสริญพระพุทธคุณโดยนิยตต่างๆที่กล่าวถึงความตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็ทัศสุตระสูตรเป็นต้นเนี่ยนะที่สรรเสริญพระองค์ในทางสัมโพธิญาณว่าพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรูด้ดีตรัสรู้ถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะไม่กลายเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรูด้ดีจริงๆภิกษุทั้งหลายถ้าคนทั้งหลายถามภิกษุนั้น อย่างนี้อีกว่าอะไรเป็นอาการของท่านอะไรเป็นเครื่องคล้อยตามของท่านหมายคขาว่าอาศัยเหตุผลใดท่านมีเหตุมีปัจจามีเหตุมีผลอะไรจึงกล้ายืนยันอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้สรับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบอนอะอรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธปะควา เนี่ยนะเขหมายว่าทําไมท่านจึงมั่นใจในพระพุทธคุณทั้งปวงเหล่านี้ทําไมท่านจึงมั่นใจว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตภควาตาธรรมโมสันทิทิโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินโยเหต์เอาอะไรมายืนยันทําไมท่านจึงยืนยันหนักแน่นว่าพระธรรมเป็นธรรมดีจริงๆแล้วเอาอะไรมายืนยันว่าสุปฏิปันโนภควาโตสาวากาสังโฆอุชุยายญสามิจิปฏิปันโนภควาโตสาวากสังโฆเป็นต้นนี่ยนะ เอาอะไรมายืนยันมารับรองอย่างเรียกว่าแน่นหนาะเรียกว่าแข็งขันแข็งแรงว่าพระรัตนาไตรนี่ดีจริงๆภิกษุทั้งหลายเมื่อจะพยากรณ์ก็ควรพยากรเรียกว่าเล่าให้ฟังว่าทําไมตัวเองจึงเลื่อมไสบอกว่าอาุโสเราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมในพระาศาสนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงธรรมแก่เรายิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นธรรมที่ประณีต ย, ยิ่งขึ้นเปรอะ พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นทั้งดำทั้งขาวทั้งสมุทัยยะสัจจะทั้งมรรคสัจจะเนี่ยนะทั้งทุกขสัจจะที่สมุทัยที่ควรละทั้งอริยมรรคที่ควรเจริญเจริญทำดำเพื่อละทำขาวออกจากความอะไรอาศัยความไม่มีอะไรแล้วปฏิบัติจนได้บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะอาวุโสพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่เราให้ยิ่งขึ้นไปประนีตยิ่งขึ้น ให้เป็นส่วนเปรียบเทียบพร้อมให้เห็นทั้งทั้งดำทั้งขาวโดยประการใดๆเรารู้ยิ่งบางสิ่งบางอย่างในสิ่งนั้นเพราะไม่มีใครตรัสรู้ทั้งหมดเท่าพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ใช่ฟังแล้วแหมมันรู้จำแจ้งรู้เท่าพระพุทธเจ้ามันเกินไปเลยนะอย่างดวงอาทิตย์สองให้เห็นมันก็เห็นได้เท่าทัศนวิสัยของตนแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่มีใครเข้าใจทะลุปโป ร, ổ, ปรง่งเท่าพระพุทธเจ้าหรอกเนี่ยนะเพราะว่า คือเบื้องหลังของคำที่เอามาแสดงเนี่ยมากมายเป็นต้นเราเห็นพยันชนะเห็นแต่ส่วนน้อยเปรียบเหมือนอะไรเหมือนดวงอาทิตย์ที่สว่างเนี่ยสมมุติว่า มันเหมือนกับว่ามันมีปล่องตรงช่องเมฆเนี่ยมันส่องมาให้เราเห็นภาพน่ยไอ้ที่เราเห็นก็ไม่ใช่ว่าทั้งทั้งหมดดวงอาทิตย์ส่องให้เห็นเท่านั้นพระสดุที่แต่ละสูตรที่ส่องให้เห็นเนี่ยก็เหมือนกับสอแสงแห่งดวงอาทิตย์ที่ส่องลอดช่องเมฆออกมาเพียงว่าให้เห็นในในวงเท่าที่เห็นพระสู่แต่ละสูตรก็เท่านั้นแต่ไม่ได้ว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์มีเท่านี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงรู้ได้แต่ในบางส่วนในวิสัยของตนของตน หรืออย่างว่าแสงสว่างในโลกที่สองที่เห็นเราที่เราเห็นเราเห็นทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ก็เห็นในเศษเสี้ยวส่วนเดียวที่พ อ, พ อ, อ, อพอสายตาของเราที่จะมองเห็นเท่านั้นเพราะจึงรู้ได้บางสิ่งบางอย่างเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้วโดยเฉพาะรู้อริยสัจแต่รู้โดยเอกเทศเนี่ยนะจึงตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดลงในพระธรรมในศาสนานี้เลยเลื่อมใสในภาษาสดาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เอง โดยชอบพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์ปฏิบัติดีแล้วฉันนั้นฉ น, นั้นดังนี้เนี่ยนะก็เลยยืนยันเนี่ยนะเพราะฟังธรรมเนี่ยนะก็แปลว่าฟังธรรมแล้วก็ทรงจำไว้ได้พิจารณาจนสามารถแทงตลอดอริยสัจตามแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสคำนี้ต่อไปอีกว่ า, ภ, าภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาตั้งมั่นในพระตถาคตเจ้าด้วยอาการเหล่านี้ บทเหล่านี้พยัญชนะเหล่านี้เป็นรากเง่าเป็นที่พึ่งภิกษุทั้งหลายศรัทธาที่มีอาการอย่างนี้ที่ใครๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดาหรือมนุษย์มารพรมในโลกที่ที่จะไปทำให้ศรัทธาของเขาทำให้ทัศนคติสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจงนเง่นเป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางเหมือนกันเถอะไม่มีทางที่จะทําให้ผู้ใดเนี่ยนะทำให้พระอริยาสาวกที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเปลี่ยนจากความเลื่อมใสในพระตันตนะไตไม่มีใครที่จะมาปิดบังไม่ให้พระโสดาบันเห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจพันธศรัทธาของท่านจึงไม่งอนง่นเป็นศรัทธาที่มั่นคงพิสูุทั้งหลาย การปรึกษาธรรมในตถาคตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหละวันการสอบสวนการพิจารณาธรรมเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อศรัทธาในโสตาปฏิยังฆะธรรมจะได้มั่นคงเนี่นะเมื่ อ, อความเลื่อมใสในพระตถาคตจะได้มั่นคงเมื่อเลื่อมใสก็ได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมโยนิโสมนสิการพิจารณาตามปฏิบัติธรรมจนสมควรแก่มรรคผลนิพพานเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ เป็นผู้ที่มีศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอันมั่นคงในพระธรรมมีศรัทธาอันมั่นคงในพระสงฆ์เนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอริยการตัดสินสาเร็จเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการปรึกษาธรรมในพระพุทธเจ้าก็เพื่อประโยชน mm ์อ hmm. ย่างนี้แลก็แลพระธ ร, รมมามโคดจ้าย่อมเป็นอันผู้บุคคลสอบสวนแล้วโดยชอบอย่างนี้แหลเนี่ยนพะฉะนั้นคนที่ปรึกษากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ อย่างสูงสุดจริงๆก็ปรึกษาเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วก็หนักแน่นแล้วก็มั่นคงอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพาะในหน้า408เียวนะหน้า408เนี่ยจึงกล่าวกล่าวถึงว่าพระศรัทธาทั้งหมดนั้นเป็นศรัทธาของพระโสดาบันที่เลื่อมใสยอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธานั้นเกิดเพราะมีทิฏฐิ คือโสดาปฏิมักนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยเพราะโสดาปฏิมักไม่เห็นอริยสัจทั้งหลายเนี่ยนะพอเห็นอริยสัจทั้งหลายด้วยโสดาปฏิมักทําให้ศรัทธาเนี่ยถึงความตั้งมั่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่หวั่นไหวที่จะเทวดามารพรหรือใครๆจะเปลี่ยนใจไม่ได้แม้แต่มารมีอยู่ครั้งหนึ่งมารเนี่ยมารวัสวดีเนี่ยนะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของของพระโสดาบันนะ เพราะนั้นศรัทธาของพระโสดาบันจริงๆแม้แต่พยาามารที่ยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนใจไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของนายสุระเนี่ยนะสุระผู้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังจบก็เป็นพระโสดาบันฟังเป็นพระโสดาบันแล้วกลับบ้านครั้งนั้นมาร ก, ก็เนรมิต ร, รูปเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเนรมิตกายคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ประดับด้วยมหาปริศลักษณะ32อย่างประการแล้วไปยืนที่ประตูเรือนของสุรอุบาศกกล่าวบอกว่าเขาก็ส่งข่าวบอกตอนนี้พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมถึงบ้านเลยแบบนั้นสุระอุบาศกคิดว่าเราจะฟังธรรมในเอเอเขาบอกว่าเราก็ฟังธรรมจากสำนักของพระพุทธเจ้าเดียวนี้เองมีเหตุอะไรทําไมพระองค์จึงเสด็จมาก็เลยเข้าไปถวายบังคมเพราะสําคัญว่าเป็นพระพุทธเจ้ามานก็บอกว่าสุรัมพทธะสุรัมพัทะ คำใดที่เราบอกกับท่านว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงคำนั้นเราพูดไม่ถูกนะ ที่จริงเราลืมใครครวญเราพิจารณาไม่ดีเลยก็บอกท่านเพราะจริงๆอ่ะมันก็มีนะรูปที่เถียงเวทนาเที่ยงสัญญาเที่ยงสังขารเที่ยงวิญญาณเที่ยงพอมีอยู่รอกสุราอุบาสกก็บอกวข้อที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วตรัสคําอะไรอะไรพระองค์ไม่ทําให้แจ่มแจ้งเสียก่อนแล้วค่อยพูดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่พระองค์พระพุทธเจ้าจะทําอะไรแบบสะเพราแบบนี้ไม่มีทางผู้นี้จะต้องเป็นมารมามาเปลี่ยนใจเราแน่ นะมาเนี่ยมาเปลี่ยนใจทําให้เราเข้าใจผิดในพระพุทธคุณเป็นแน่มาหลอกลวงกันแน่แท้เนี่ยนะนะสุระอุบาสกก็พูดกับมานว่าท่านเป็นมานใช่ไหมเออใช่เป็นมานเขาไม่รู้จะหลอกว่าไงก็ถามมันตรงๆแบบเนี้นะไม่รู้จะไปหลอกว่ายังไงเขาบอเออแล้วมาทําไมอะ่ะก็ดูที่มาต้องการจะดูว่าศรัทธาของท่านคลอนแคลนง่นแง น, นขนาดไหนเนี่ยนะ ของเราเนี่ยถ้ามีใครแบบเพาะมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมาบอกอย่ามาบอกเลยนะแค่มาเข้าฝันนี่ก็เดือดร้อนแน่ๆนะมันจะเปลี่ยนใจหรือเปล่ากขาไม่รู้ท่าลองแค่ลองมาเข้าฝันปั๊บมันจะไปคิดยังไงแล้วก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกว่าคือบางทีเนี่ยลองฝันติดๆกันสักสาสี่ครั้งบอกว่าไตรวีดกมันผิดอย่างงี้อย่างงี้น่ะนะโอ้ฝันสักสี่หครั้งอ่ะเชื่อสนิทใจเลยเชื่อเลยน่ะนะเพราะอะไรเพราะปกติก็มาเคยเชืช่อสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆเข้ามาพร้อมที่จะ เปลี่ยนใจเนี่ยเพราะปกติก็ไม่เลื่อมสายอยู่แล้วเนี่ยนะอย่างบางคนเขาบอกเออเขาเลิอกอ่านตะไคร์วิดีโอก็เลิกศึกษาธรรมะแล้วอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นคุณก็ไม่ได้ศึกษามาแต่ก่อนอยู่แล้วเนี่ยนะการไม่ศึกษาถือว่าปกติของคุณเนี่ยนะแต่ถ้าศึกษาเนี่ยเรียกว่าไม่ปกติเนี่ยนะเขามาคิดง่ายๆวันนี้มากบอกเออถ้าถ้าศึกษาถ้าเลิกศึกษาก็กลับไปสู่ค่าที่ปกติเนี่ยนะ แต่ถ้าศึกษ า, าแสดงว่าพิเศษเนี่ยนะไม่ปกตนะิก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากความเป็นปุตุชนเพื่อสู่ความเป็นธาตุยัตมันถ้าเวียนกลับไปเดินทางผิดเหมือนเดิมนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นหน่าแปลกใจอะไรเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้คิดแบบคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้น เ, เราต้องเลงว่าเออสาระแท้จริงๆแกนสารแท้จริงอ่ะคืออะไรตรงนี้เราต้องไม่หลงลืมประเด็นเนี่ยนะ ต้องถือธรรมเป็นประมาณอย่างแท้จริงเนี่ยต้องต้องอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเราไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าซะอย่างเดียวเลยเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เนีนะก็จะให้ถือธรรมเป็นประมาณแล้วทำมาทำอะไรใช่ไถือกุศลอกุศลอัพยาคตะโอ้ขีแล้วมันมึนมันงงไปหมดเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นับว่ายากจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยนะที่จะดําเนินเดินตามทางเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะ ในที่สุดเมื่อเมื่อมานเขาบอกว่าเขาเนี่ยมามาแกล้งอ่ะนะมาดูซิว่าศรัทธาของท่านมาเขยาา่าศรัทธาดูซิว่าศรัทธาแค่ไหนเหมือนนสุระอุบาศกก็เลยดีดนี้ว่ามานผู้มีบาปเจ้าผู้เดียวจงหยุดไว้ก่อนมานแบบท่านมาเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่สามารถทําศรัทธาให้เราอของเราให้หวั่นไหวได้เพราะเพราะศรัทธาที่มาด้วยพร้อมกับโสดาปฏิมักมั่นคงเหมือนขุนเขาสนรุที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่เป็นหิน เพราะฉะนั้นเจ้าจะอยู่ที่นี่ทําไมไปเถ อ, อนนะมาทางไหนก็ไปทางนั้นเถอะเหมือ น, นทีนี้พูดถึงว่าโสดาสัธาของพระโสดาบันเนี่ยหนักแน่นมั่นคงเหมือนขุนเขาสินิรุเนี่ยนะขุนเขาสินิรุท่านบอกว่าปกติสูงขึ้นฟ้าเนี่ยสูงจากระดับดินธรรมดาขึ้นสู่ฟ้าเนี่ย 84,000 โยดแล้วก็จมลงไปอีก 84,000 โยดเพราะฉะนันไม่หวั่นไหวด้วยอะไรทั้งนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นศรัทธาของพระโสดาบันก็หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะเห็นอริยสัจเป็นของพระพู้แเจ้าแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนใจได้ยังไงเนี่ยนะจะไปเปลี่ยนใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดทําให้แปลเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นการสอบสวนการพิจารณาทำตามคําสอนทั้งหลายก็เพื่อให้ปฏิบัติจะได้เป็นพระโสดาบัน การสอบสวนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปโอ้เก่งมากเหลือเกินนะเนี่ยกล้าวิาพากวิจารณ์กล้าแบบอะไรนะชั่แหละชั่แหล่พระพุทธเจ้าบอกแหมเขาเก่งพิเศษมีความสามารถเก่งกล้าองค์อ่าจเหลือเกินเธอสามารถตรวจสอบพระพุทธเจ้าได้ก็จริงเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่การที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกมาแสดงประกาศถึงเรื่องการตรวจสอบพระองค์เนี่ยนะเพื่อที่บอกอเพื่อย้ำว่าท่านศรัทธาถูกคนแล้วเนี่ยนะท่านศรัทธาบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้ง เฮาวโลกถูกต้องแล้ ว, วพระพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกแท้จริงแล้วเนี่ยนะมันก็คําสอนใดที่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระ t h n a ตรเนี่ยนะขอให้เราทั้งหลายได้ดําเนินได้ประพฤติปฏิบัติจนได้มีศรัทธาอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระ t h n a ตรยก็ขออนุมโมทนาขอให้ทุกท่านนะสำเร็จสิ่งที่ตั้งไว้สมความปรารถนาทุกประการวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้